อธรรมะกรมมทวาทสกะว่าด้วยตัสปาปิยศสิกากรรมที่ไม่ชอบธรสิบสองหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายตัสปาปิยศสิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ลงลับหลัง 2. ลงโดยไม่สอบถามก่อน 3. ลงโดยไม่ได้ปฏิญญาภิกษุทั้งหลายตัดสปาปิยศิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แลเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีละหมวดที่สิบสองภิกษุทั้งหลาย ตัดสปาปิยศิกากรรมที่ประกอบด้วยองค์สามแม้อื่นอีกเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ไม่ปรับอาบัตก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสมสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลาย